บทที่26ไอโทนเวลาตีสี่หนุ่มเจริญลุกขึ้นหุงข้าวโดยไม่รอให้ยายมาปลุกตั้งแต่รู้ว่าจะต้องไปเรียนหนังสือที่บางกอก หนุ่มน้อยก็กลับเนื้อกลับตัวทำตนเป็นคนดีของยายพรุ่งนี้แล้วสินะที่เขาจะต้องจำพรากจากบ้านเรือนที่เคยอาศัยจากยายที่เคยพร่ำสอนได้รักและเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องและมวลเพื่อนที่คุ้นเคยกว่าจะได้กลับมาเห็นหน้าค่าตากันก็คงอีกหลายปีบางกอกเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ได้ยินว่าเป็นเมืองสวรรค์ ที่ใครต่อใครใฝ่ฝันอยากจะไปแต่สําหรับเขามันคงเป็นสวรรค์ไปไม่ได้ในเมื่อไม่มียายอยู่ด้วยหลวงทาราคุณปู่ของเขาจะให้ความรักความเมตตาเหมือนที่ยายให้หรือไม่หนอหนุ่มน้อยกรุ่นคิดขณะก่อไฟเตรียมตั้งหม้อข้าวยายตื่นพร้อมๆกับเขาล้างหน้าล้างตาแล้วก็เข้าห้องพระ ใช้เวลาสวดมนต์ภาวนาอยู่ในนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงออกมาจัดสำรับกับข้าวเตรียมใส่บาทเมื่อข้าวเม็ดบานได้ที่หนุ่มน้อยก็ยกหม้อข้าวลงจากเตานำหม้อแกงส้มถั่วลาขึ้นตั้งแทนแล้วก็ยกหม้อข้าวไปรินน้ําข้าวใส่อ่างไว้ขุนนางด่างกับนางดำกว่าข้าวจะเสด็จน้าแกงในหม้อก็เดือดพอดี เขายกหมอ้อแกงส้มลงชักฟืนออกจากเตาสองดุนเพื่อให้ไฟอ่อนแล้วก็ยกหมอ้อข้าวขึ้นดงพลิกไปมาจนข้าวระอุทั่วถึงกันทุกเม็ดยายเดินเข้ามาขณะที่เขายกหมอ้อข้าวลงจากเตาและเตรียมจะตำน้ําพริกข้าวกับแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับยายผมทำแกงส้มทั่วลาไว้ตั้งแต่เย็นวาน ตอนเช้าจะได้ไม่ฉุกระหุบดีแล้วไอ้หนูแกงส้มจะอร่อยต้องทิ้งค้างคืนไว้ยายชมพรางหยิบขันลงหินแล้วก็ชามตราไกา่มาเตรียมไว้ใกล้เวลาพระจะมาค่อยคดข้าวและตักแกงไม่งั้นมันจะเย็นเสียหมดยายพูดเหมือนเคยพูดอยู่ทุกวันพรุ่งนี้ ผมคงลุกขุมข้าวให้ยายใส่บาดเป็นวันสุดท้ายไม่ต้องหรอกไอ้หนูเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของนางจำแรงดีกว่าสายสายก็คงจะขนของมาอยู่กับยายส่วนเองต้องเตรียมตัวไปบางกอกเห็นว่าเรือแดงจะออกบ่ายสองโมงไม่ใช่หรือครับพ่อกับแม่จะมากินข้าวกลางวันที่นี่แล้วก็จะไปส่งผมที่ท่าเรือ พ่อว่าต้องไปให้ถึงที่นั่นก่อนเรือออกราวๆครึ่งชั่วโมงยายอยากไปส่งเองที่ท่าเรือแต่ยายไม่ได้พูดต่อแต่ทำไมครับหลานชายซักไม่มีอะไรหรอกยายรีบปฏิเสธคนอายุเจ็ดรอบรู้ดีว่าสามารถเดินไปถึงท่าเรือได้แต่ขากลับนี่สิต้องคิดหนัก คงหมดเรียวแรงที่จะเดินโดวยว่ากำลังใจขาดหายลับหลานรักไปแล้วกำลังวังชาทั้งมวลก็คงจะหมดสิ้นลงจนกว่าเขาจะกลับมานั่นแหละยายจึงจะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถประครับประคองสังขารให้อยู่จนถึงวันนั้นหรือเปล่าคิดแล้วก็พานจะร้องไห้ แต่ผมรู้ว่าต้องมียายบอกมาเถอะครับผมกำลังฟังอยู่ถ้ายายไม่พูดออกมาคืนนี้ผมคงนอนไม่หลับเองอยากให้ยายไปส่งหรือเปล่าทั้งอยากและไม่อยากครับหมายความว่ายังไงไหนลองขยายความหน่อยสิสงสัยยายจะแก่เกินไปแล้วกระมังถึงได้ฟังเองไม่เข้าใจ ไม่แก่หรอกครับยายของผมยังสาวดูเหมือนว่าอายุแค่ส9 2เกยี่สบเท่านั้นเขาพยายามสร้างอารมณ์ขันเพื่อชดเชยความเศร้าในใจทำไมเองถึงไม่อยากให้ยายไปส่งคนอายุ8ปดสถามอีกโดยไม่สนใจคำยั่วของหลานชายผมไม่อยากให้ยายลำบากครับหนทางมันไกล แล้วยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงใจจริงผมอยากให้ยายไปส่งถึงบางกอกแล้วอยู่กับผมที่นั่นเลยพูดอย่างที่ใจคิดเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้หนูยายเกิดที่นี่ก็ขอตายที่นี่จะให้โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นยายไม่คุ้นถึงจะสุขสบายสักปานใดยายก็อยู่ไม่ได้ ต้องอยู่ที่ตำบลบางม่วงหมูนี่แหละเองก็เหมือนกันเรียนจบแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเราอย่าไปหลงบางกอกจนลืมบ้านเกิดเมืองนอนละ่ะคืนทำอย่างนั้นคนเขาจะได้นินทาว่าเป็นวัวลืมตีนนาิยายคนอย่างผมไม่มีวันลืมําพื้ตัวเองถึงจะมีปู่เป็นคุณหลวงแต่ตัวผมเกิดจากท้องไร่ท้องนา ชอบกินน้ำพริกปาร้าไปอยู่บางกอกคงจะอดกินเสียกระมังยายทาปลาร้าไว้ให้เองตั้งสองหายรับรองว่ากินไปจนกระทั่งเรียนจบก็ยังไม่หมดยายบอกด้วยว่ายายจัดเตรียมสเสบียงไว้ให้เขาพร้อมแล้วมีทั้งปาร้าน้ำปลาพริกแห้งหอมกระเทียมกล้วยตากส้มลิ้มมะพร้าวแก้ว และนำอ้อยงบผมคงไม่กล้าเอาไปหรอกยายกลัวคนบางกาะเขาจะดูถูกเอาคนที่นั่นเขาไม่กินปลาร้าเหมือนคนบ้านเราหรอกเขากินแต่หมูเห็ดเป็ดไก่กันล้านชายพูดตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาถ้ากลัวเขาจะดูถูกก็เอาไปหายเดียวพอเก็บเอาไว้กินคนเดียวเวลาที่อยากถ้าอย่างนั้น ผมต้องถามพ่อดูก่อนถ้าพ่อไม่อนุญาตผมก็ไม่เอาไปดีไม่ครับยายตามใจเองก่อแล้วกันยายกลัวว่าเองจะอดเท่านั้นแหละหมูเห็ดเป็ดไก่มันสู้น้ำพริกปาร้าไม่ได้หรอกหรือเองว่างไงผมก็เห็นด้วยกับยายแต่การที่เราจะไปอยู่กับคนอื่นก็ควรจะทำตัวให้เข้ากับเข้าได้ อย่างที่โบราณสอนว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามจริงไหมครับคนอายุ84รู้สึกพอใจกับคำพูดของหลานแล้วก็คิดว่าเขาคงจะไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับคนอื่นนอกจากนี้กิริยามารยาทก็บ่งบอกว่าเป็นชาติผู้ดีไม่มีทิฏฐิสักนิด ชวนเวลาพระมาบินธบาตยายก็คดข้าวใส่ขันลงหินและตักแกงใส่ชามหลานชายจัดลงในถาดทองเหลืองยกตามยายไปรอพระอยู่ที่หน้าบ้านใส่บาทแล้วยายก็ขึ้นมากรวดน้ำให้บุพการีและเจ้าความในเวรที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วจากนั้นมาจึงจัดการเรื่องสเสบียงกลางให้หลานชาย นมน้อยตำน้าพริกเสร็จจึงต้มผักเมื่อได้เวลาเขาก็ยกสำรับออกมาสู่ยายกินอดคิดไม่ได้ว่าคงเป็นวันสุดท้ายที่จะกินข้าวพร้อมยายที่บ้านวันพรุ่งนี้คงจะต้องกินในเรือแดงที่เขาจะโดยสารไปบางกอกเองลาญาตพี่น้องหมดทุกคนแล้วหรือไอ้หนูยายถามเมื่อเกินข้าวคำแรกลงคอแล้ว ยังเหลือป้าเหลี่ยมอีกคนเดียวครับอิ่มข้าวแล้วผมจะไปลาแล้วจะรีบกลับมากินข้าวกลางวันพร้อมยายวันนี้ผมจะมากินกับยายทั้งสามมื้อเลยคงอีกหลายปีกว่าจะมีโอกาสเช่นนี้คนพูดรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆมาจุกอยู่ที่ลำคอทำให้กลืนข้าวไม่ลงยายไม่รู้ว่จะรอจนถึงวันนั้นหรือเปล่า อาจตายเสยก่อนก็ได้ใครจะรู้คนอายุเจ็ดรอบระบายความอึดอัดขัดข้องในใจออกมาหลานชายถึงกับน้ำตาร่วงโดยพร้อมที่จะร้องไห้อยู่แล้วยายอย่าพูดอย่างนั้นคนมีบุญคุณอย่างยายต้องอยู่ไปจนถึงร้อยปีเชื่อผมเถอะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหลอกไอ้หนูเอ้ย อะไรอะไรมันก็เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปเสียทั้งนั้นช่างหัวมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดยายให้กำลังใจตัวเองหลานชายใช้มือซ้ายปาดน้ำตาแล้วจึงตั้งหน้าตั้งตากินข้าวจนอิ่มผมจะไปลาป้าเหลี่ยมนะครับเขาบอกยายหลังจากที่ล้างถ้วยจามเสร็จแล้วไปเถอะ ระวังไอโทนหน่อยก็แล้วกันเห็นว่ามันดุนักดีไม่ดีเองจะถูกกัดลองมากัดผมสิจะได้เอายาเบื่อให้กินซะเลยเขาว่าอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นบาปม้ามันก็มีชีวิตจิตใจถ้าใครเป็นมิตรกับมันมันก็เป็นมิตรด้วยถ้าใครเป็นศัตรูมันก็จำไปจนวันตายเชียวละถ้าฉะนั้นผมจะลองผูกมิตรกับมัน ผมไปนะครับจะรีบมาให้ทันกินข้าวเพลงกับยายเมื่อหนุ่มน้อยมาถึงหน้าบ้านของนางเหลี่ยมสุนัขสีดำตัวโ ต, วตวก็วิ่งแยกเคี้ยวเข้าใสา่ไอโทนข้าเองจะไม่ได้หรือเขาทักพรางดิดนิ้วปาะปๆให้เจ้าโทนแต่เจ้าโทนไม่ฟังเสียงด้วยจำได้ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้เคยเอาก้อนดินคว้างถูกหัวมันทาให้ปวดหัว ไปตั้งหลายวันมันจึงวิ่งเข้าใส่ยังไม่ยอมหยุดยัง้งหนุ่มเจริญเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งไปคว้าไม้มาท่อนหนึ่งถือไว้ลองกัดฆ่าสีจตีให้ตายเลยเขาคู่เห็นว่าไม่มีทางสู้เจาโทนจึงตั้งหลักเห่าอยู่ห่างๆนางเหลี่ยมมองลงมาเห็นหลานชายจึงทักเองรบกรือไอ้หนูได้ข่าวว่าจะไปเรียนที่บางกอกไม่ใช่หรือ หนุ่มน้อยยกมือไหว้พี่สาวของมารดาและตอบว่าครับผมกำลังจะมาลาป้าคงอีกหลายปีกว่าจะได้เจอกันพูดพลางเดินขึ้นมาบนเรือนถือไม้ท่อนนั้นขึ้นมาด้วยถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นก็อยู่กินข้าวเพลยนกันก่อนนะประเดี๋ยวป้าจะต้มยมไก่ให้เองกินไก่ป่ามีหลายสิบตัวจะย่างให้เองไปกินที่บางกอกด้วย นั่งเหลี่ยมแสดงน้ำใจไมตรีไม่ได้หรอกครับป้าผมต้องกลับไปกินข้าวกับยายอีกอย่างหนึง่งผมไม่อยากให้พวกไก่ต้องมาตายเพราะผมกลัวจะเป็นลางไม่ดีจริงของเองป้าก็ลืมไปงั้นจะเอาปลากเกลือให้เองไปเอาไว้กินที่บางกอกนะเจ้ามันมันวิ์บ่เหมือเดือนที่แล้ว ป้าเลยทําปลาเกลือเก็บเอาไว้ตากซีแห้งแกร่งเลยคงเก็บไว้ได้หลายเดือนป้าอย่าลำบากเลยครับยายเตรียมสเสบียงไว้ให้ผมแล้วป้ามีลูกหลานหลายคนเก็บไว้ให้พวกเขาเถอะนมน้อยพูดอย่างเกรงใจและเอ็งไม่ใช่หลานป้าหรือยังไงเอาเถอะผู้ใหญ่ให้เขาให้อะไรก็ต้องรับไว้ก่อนถึงจะเรียกว่าเด็กดี ว่าแล้วก็เดินเข้าไปในครัวครู่หนึ่งก็ถือปลาเกลือห่อด้วยใบตองแห้งออกมาส่งให้หลานขอบคุณครับหนุ่มน้อยยกมือไหว้ก่อนรับห่อปลามาจากมือผู้เป็นป้านึกถึงข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งนะใครๆก็ทำอร่อยสู้ยายไม่ได้สมัยป้าเด็กๆวันไหนยายทำข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งวันนั้นลูกๆท้องกลางกันเลย เดี๋ยวนี้ยายไม่ทำแล้วล่ะครับเวลาอยากจะกินก็ให้ผมทำให้ยายบอกว่าอร่อยกว่าที่ยายทำเสอีอเกหนุ่มน้อยโอ้อวดอดไม่ได้ที่จะพูดเกินความจริงเพราะยายพูดเพียงว่าเองทำได้รสชาติเกือบเหมือนที่ยายทำเลยนะอร่อยน้อยกว่ายายนิดเดียวเอง กับหลานนั่งคุยกันพักใหญ่ๆคนเป็นหลานก็เอ่ยลานางเหลี่ยมหายเข้าไปในเรือนครู่หนึ่งแล้วออกมาพร้อมไถใบย่อมสีแดงเลือดนกป้าให้เงินเองสองตำลึงเอาไว้เป็นค่าเรียนนางส่งไยบรรจุเงินแปดบาทให้หลานชายหนุ่มน้อยยกมือไหว้อีกครั้งแล้วลงจากเรือนไม่ลืมที่จะหยิบไม้เท่า น, นั้นติดมือมาด้วยเดินอย่างระแวดระวัง เพราะรู้ว่าเจ้าโทนจ้องจะเล่นงานเขาอยู่เห็นเด็กหนุ่มถือไม้เจ้าโทนก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ได้แต่ส่งเสียงเห่าแล้วก็วิ่งไล่าตามไปห่างๆครั้นเห็นว่ารับตาผู้เป็นป้าแล้วหนุ่มจเจริญจึงก้มลงคว้าก้อนดินคว้างไปที่เจ้าโทนถูกที่เดิมอีกเจ้าโทนส่งเสียงร้องเอ eng เอ e แล้ววิ่งเข้าบ้านมานึกอัคาดแขนเคขีองเด็กหนุ่ม หากพูดได้มันจะพูดว่าฝากไว้ก่อนเถอะถึงทีข้าบ้างจะกัดให้เนื้อหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยเชียวจากบ้านนางเหลี่ยมหนุ่มน้อยก็ตรงไปยังวัดสัทธาพิรมเพื่อกราบลาท่านสมภารตั้งใจเรียนหน้าพ่อนมุมเอาละหลวงตาจะให้ของไว้เป็นที่ระลึกท่านเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบห่อผ้าเล็กๆออกมาแก้ หอและก็ส่งพระผงสี่เหลี่ยมให้เขาองค์หนึ่งเก็บรักษาไว้ให้ดีนะอย่าเอาไปให้ใครหลวงตาได้มาจากมือท่านเลยพระอะไรครับเขาถามพระสมเด็จนะ่ะสมเด็จโตวัดมณีชนละขันท่านให้มากับมือหลวงตาเลยนะเอ็งไม่เคยได้ยินชื่อท่านหรือยังไงหลวงตารู้จักท่านเหรอครับ ก็ไม่รู้เท่าไรหรอกตอนนั้นหลวงตายังเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่แถวลานวัดบ้านหลวงตายอยู่ข้างวัดมณีชลรคันตอนนั้นท่านอายุราวๆสักหกสิบเศษเศษเนี่ยแหละพอเจอท่านทีวไรท่านก็ควักพระออกมาจากย่ามส่งให้ท่านบอกเก็บไว้ให้ดีๆนะวันนี้เองอาจจะไม่เห็นคุณข้าแต่วันข้างหน้า จะมีค่ามาหาศารเจละท่านใจดีชอบแจกพระให้เด็กๆ เ, เด็กผู้หญิงท่านก็อให้ครับผมจะเก็บไว้ให้ดีที่สุดผมเห็นจะต้องกราบลาหลวงตาละครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจะได้เป็นเจ้าคนนายคนหลวงตาให้ศีลให้พรหนุน่มน้อยกราบสามครั้ง แล้วครานออกมาเมื่อได้ระยะห่างพอประมาณแล้วเขาจึงลุกขึ้นเดินตรงไปยังบันไดกุตินางสาวจำแรงมาถึงตอนเย็นหนุ่มเจริญกำลังกินข้าวอยู่กับยายก็ไหนว่าจะมาตอนสายสายทำไมไมาเซกข้ามเลย ข้านึกว่าอิ่มข้าวแล้วจะต้องไปตามเองเสอีกเขาต่อว่าพี่สาวก็ดีเท่าไหร่แล้วที่เองไม่ต้องเสียเวลาไปตามยังจะมาว่าข้าอีกพี่สาวเถียงยายไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันจึงห้ามขึ้นว่ากินข้าวมาหรือยังถ้ายังก็มากินพร้อมๆกันเลยเรียบร้อยแล้วใจยายอิ่มข้าวแล้วฉันก็มานี่แหละ หลานสาวตอบยายครับคืนนี้ขอผมนอนห้องยายนะครับจะได้ให้จำแรงนอนห้องผมเขาขออนุญาตไหนๆก็จะจากยายไปตั้งหลายปีอยากนอนใกล้ยๆยายเหมือนเมื่อตอนเด็กๆงั้นข้าก็จะเอาของไปเก็บละนางสาวจำแรงยก ห, บหยบไวซึ่งบรรจุผ้าเสื้อของหล่อนเข้าไปเก็บในห้องของน้องชาย พี่สาวหลับไปนานแล้วหากน้องชายยังคงนวดให้ยายอย่างขมักขเม่นยายจึงอบรมบ่มนิสัยหลานเป็นครั้งสุดท้ายจำไว้นะไอ้หนูอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นถ้าลูกท่านโตโตกันแล้ ว, ลโตโตลวผมจะปั้นให้ใครเล่นละยายนมน้อยแส้งสงสัยยายหมายถึงว่า ให้เป็นคนไม่ดูได้ท่านมีงานอะไรก็ช่วยท่านอย่าขี้เกียจขี้คร้านคนขยันอยู่ที่ไหนก็จเจริญงั้นผมไม่ต้องขยันก็ได้เพราะถึงยังไงก็ต้องจเจริญอยู่แล้วไม่เช่นั้นคงไม่ชื่อจเจริญล้านชายอดยั่วซิมิได้เขาไม่อยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงด้วยว่าไม่อยากจากยายไปเองมันก็เป็นซสี่อย่างนี้ยายว่า ไม่ได้นึกโกรธเคืองแต่ประการใดเพราะรู้นิสัยของผู้เป็นหลานมาช้านานแล้วเรื่องเงินทองก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะอะไรไม่สมควรซื้อก็อย่าไปซื้ออยู่กับผู้ใหญ่ต้องทำตัวให้เขารักให้เขาเมตตาอย่าอยู่ว่างอย่าห่างผู้ใหญ่เด็กคนไหนอยู่ว่างอยู่ห่างผู้ใหญ่ต้องเสียคนและถ้าเองอยากจะร่ำรวย ก็ให้ท่องคาถานี้ไว้คาถาอะไรครับยายได้มาจากหลวงพ่อช้างหรือเปล่าคาถาของยายเองถึงจะไม่ได้มาจากพระแต่ก็รับรองว่าขลังถ้าเองนำไปปฏิบัติจะเอาไมล่ล่ะคาถาของยายนะ่ะไม่ต้องจดท่องให้ขึ้นใจเดี๋วนี้แหละฟังนะคาถาของยายมีว่า อย่านอนตื่นสายอย่านายหากินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเมื่อยายพูดจบหลานชายก็จำได้อย่างแม่นยำยายสอนต่อไปอีกว่าคนที่จเจริญในหน้าที่การงานเขาต้องเอาใจใส่เจ้านายให้ถือคติยืนลุกยืนรับยืนคำนับผู้บังคับบัญชาปากหวานตัวอ่อน มือเป็นงอนในยายสอนเผื่อไว้ก่อนนะเป็นยังไงครับยายมือเป็นงอนนะ่ะหลานชายไม่เข้าใจไหว้สิเจอใครก็ไหว้เขาจะอายุอ่อนกว่าหรือแก่กว่าก็ไหว้ไว้ก่อนอย่าเย่อหยิ่งจองหองคนเขาจะเกลียดเอาคนอ่อนน้อมต่อมตนใครเห็นใครก็รักจำไว้นะหลาน ยายเทศต่อไปอีกยืดยาวแล้วจะเงียบเสียงลงหลานชายคิดว่ายายหลับแท้จริงแล้วยายแอบร้องไหย้ยายหลับแล้วหรอครับน้อน้อยถามครั้นไม่มีเสียงตอบเขาจึงถือโอกาสขอขามาลาโทษยายด้วยการครานไปทางปลายเตียงกราบที่เท้ายายสามครั้งแล้วก็พูดเบาๆว่า ยายครับผมเคยล่วงเกินยายทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นต้นว่าขโมยเงินยายโกหกยายและคิดไม่ดีกับยายโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยเถอะแล้วกราบอีกสามครั้งคนที่กำลังร้องไห้นึกขำจึงทําทีเป็นละเมอด้วยการพูดลอยๆขึ้นว่า ตกหัวกลางสาราขอขมาที่บ้านหนุ่มน้อยสะดุง้งรู้ได้ทันทีว่ายายแกล้งทำเป็นละเมอนึกว่าหลับไปแล้วที่แท้ก็แอบฟังเขาอยู่ในที่สุดยายก็รู้ความลับของเขาจนได้